หลงบูก็ไม่เคยเ ล, เลยงแอะห้พวกเราฟังขนาดนั้นแต่การเขียนถือว่าน้อมลงที่ใจทาเอาลุงบูน้ำตาร่วมเรามันเป็นคําท้าจริงถือยามมันหนึ่งออกมานะเขาไล่ออกจากวัดวัดมันหล่นานดีไปไหนแล้วเราเดีเอาผ้าที่ไหนไปบวชเนา ถ้าแล้วก็ไม่มีไม่ได้เอามาจากบ้านบาทเราก็ไม่มีมีเงินอยู่ได้ย่านหนึ่งพันบาทก็ไม่เอามามากเราก็แล้วก็เอาฝากส่วนหนึ่งก็ให้พี่เป็นส่วนเป็นเป็นฝากไว้อีกส่วนหนึ่งเราก็ซื้อของเราบอกว่าเรา แลาจะไปเอาข้างหน้าพอาิวัติมีเยอะแล้วก็เลยค่าจิตใจลรวจะเอาไปแค่นี้เพราะารถกมริีศิลโมมาทรงเราก็ไม่คิดว่าครูอาจารย์จะเป็นผู้ที่ไม่มีกุณธรรมแม้จะรบมันเดียวเราขอเพื่อใช้ในการที่จะกั้นฝนในช่วงหน้าฝนในการเป็นปัดกวาดาลาแค่นั้นยังขอองค์ท่านไม่ได้ หลวงปู่ไม่ได้โทษท่านนะโทษกรรมที่หลวงปู่ทำมาวุติก็ไปอยู่วุติรู่วหลังฝนตกมาเนก็ไปอยู่ข้างนึงห้องน้ำใช้ไม่ค่อยได้เอาเสียบเบาะเลที่หื่นทันก็มีเยอะแต่ท่านก็ไม่ให้อยู่เสียดาแล้วพวกเราไม่เห็นวุติลำนั้นนีนนน่มีความรู้วิตก ที่คูรืยากนะนนตื่นตันมาตลอดตลอดความาดิ่นกล้ายิ่งกล้าขึ้นกล้าขึ้นความบ้าดิ้นของบ้าดินมันม่ได้มีอะไรเลยเราหน้าตัวคนเดียวจริงความทุกนั้นเป็นอาจารย์ ทางที่ไม่มีอีพึ้นกันใดหรือนอกจากผู้ใจจาเป็นนาการญาติเราก็ไม่มีมนเจอทะเละอลังบวชอยู่ยมค อ, อยเดือดรุนก็ไม่ไดเลยาเออถ้าไม่มีใครบวชให้พ่อแม่จะบวชให้ ไหนทเราอาดอกไม้ไปสาบุบาากันโดนเปดพันดอกไม้ริ ง, งกรรมแล้วไม่ได้รูกบวชกันเ่าถูกกรรมเราเองชีหน้าด่านห ม, มู่มันหมา ก็ไม่มีเหตุจริงแต่แต่งให้ดีนะก็ไม่รู้จะเป็นไงนม้แต่ทุกขาวที่เต็มอยู่ในวัดเราก็ไม่มีโอกาสใช้ของท่านราวทุกขาวเขาเก่ามาสองทุกนี้ร่มเราซื้อตั้งใจเป็นคาราวานเอามา ถ้าลึกถึงไปมันก็เป็นเรื่องของกรรมไม่ได้ไปตอกยันคำตื่นคุณบาอาจารย์ก็ถือว่าเป็นกรรมตัวอีกแต่นั่นเป็นอาจารย์ทำให้หลวงปู่มีความรู้สึกกะตื่นรดนความรู้สึกที่นัน อาอหารติตมนุษย์มันนั่นก็เพราะติดนี้หลวงปู่พูดตรงๆหลวงปู่ครึ่งได้มาอยู่สบายอยู่ที่นี่แค่นั้นลูกปู่จะดูนะเพราะเราหลวงปู่ก็ดูด่ะต่างทางเพราะพวกเรามันไม่เอาทานหลวงปู่ทุกข์กว่าพวกเรามัน กืนที่จะพูดให้ปังมันมันหรือวัคญญาคาบรรยายไม่รู้แต่มันมันจะบรรยายแบบไหนแต่ไม่เคยน้อยนี้ตัดใจีความ รู้สึกว่ามันแก่ขึ้นนะเคยเคยเคยอ่อนแเจอย็นบางครั้งแต่บ้งมันแก่แก่แกขึ้นลง ลุงปู่ว่าลุงปู่แก่ขึ้นเยอะเพราะประสบการณ์ด้านชีวิตแต่ลุงปู่ก็ไม่เคยเล่ามันอไร่อยดีให้พวกเราฟังขึ้นมันสุดๆนี่ก็จะเล่าไปมันก็มีประโยชน์อะไรเพราพราถือว่าเป็นเป็นเป็นความของตัวเองถึงลุงปู่น้ำใจจะร่วมแต่ว่าใจลุงปู่นี่เป็นไร ในการสู้ตัวเหมือนกับ อ, อ, อยู่ตัวคนเดียวในโลกหลวงปูพูดหลายครั้งเหมือนกับหลวงปู่อยู่ตัวคนเดียวนีลยิ่งในโลกที่ลูกหายิ่งนอกลูก่นอกทางออกทางรู้สึกนม่คิดของตัวเองมาใชา้ตัวก บ, บุศนยิ่งทําให้เรานี้คอในการที่จะสั่งสอนเร สิ่งที่เราโสเป็นโวตายมาน่าจะได้รับตอบรับในสิ่งที่ดีจากพระศิลุกหาบ้างมันก็ไม่เป็นแบบนั้นพวกเราอยู่ดีกินดีไปดีมาดีมันก็พออยู่พอกินกันทุกคนก็บางวันก็ถึงจะหลบเพราะอาหารไม่มีในท้อง ค่ากันทำดีอาาย่ทยายาย่าให้ลวงปูล่ลำบักใจพวกพวกเราปู่พื้นลดพื้นทนอยู่พวกพวกเราล ป, ปู่หละคทั้ลงปูกมีอะไรก็าขายให้ลวงปูปป่กับพูกท่า ทำอะไรก็ต้องขอโอกาสนี่เรื่อัอะไรที่จะทำให้ครูบาอาจารย์นั่งบุรงษาจารสบายใจครับการทปมปิดพลาดมาก็แล้วคร่บมใสายธรรมไม่ใช่มีใช้ใช้นิใช้นิสัยทางดุลิ แล้วเม่อไหร้ทีมาตาสอนโลกแล้วเล่าจะอยู่อย่างสถาบันมันเหนขนงคณนั้นเคยเอาจริงเอาจังจริงมันเป็นลุกเไหล่ริว่าที่เราทำมาเปล่าพวกเราลุกตาท่านพูดเนี่ยเือมดคออยู่ น, น